ในโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะสแสดงพระสัธรรมเทศนาในมรณานุสติคาถาเพื่อเป็นเครื่องสวดสงองค์คศทาบรมีที่บรรดาท่านิสราธานะบวดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลประจำปักคือวันพระกลางเดือนสิบวันนี้ใช่ไหมเจ้างา ใช่นางไม่ผิดนะการที่บรรดาท่านพุทธบบย์สัตว์นหลายตั้งใจมาบำเพ็ญกุศลบุญญราศีก็ทั้งนี้ว่าทุกคนมีความไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าในที่สุดของชีวิตทุกคนต้องตายได้ความตายของคนก็ไม่ใช่ไม่ใช่ถือว่าเป็นการสุดท้ายของชีวิต ตัวร่างกายบันตายแต่จิตที่ไม่ตายไปด้วยถ้าก่อนจะตายถ้าบุญช่วยความดีช่วยก็จะไปสวรรค์บ้างพุทธโลกบ้างนิพพานบ้างถ้าบาปช่วยในขณะที่ตายก็ไปสัตวบายาปูเกลือไปสัตว์รกบ้างเปรตบ้างสุรกายบ้างสติฉันบ้างผรในการที่ไม่ระมาดชีวิตกัมมรนดาเป็นพุทธบริษัท ตั้งใจสร้างความดีคือหนึ่งทานนิมัยบุญสมเด็จการบริจาคทานสองศีลนมัยบุญสมเด็จการรักษาศีลสามภาวนาไมยบุญสมเด็จการเจริญภาวนาถ้าทุกคนมีบุญกิริยาพร้อมทั้งสามเราการอย่างนี้องค์ ส, สมเด็จพระจินารีพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงัส ว่าบุคคลประเภทนี้จะไปสู่ทุกขติไม่ได้ทั้งนีพ่อราญ่พ่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งทานอาเมยการให้ทานและกําลังใจอย่างอ่อนการบำรเป็ญกุศลอย่างอ่อนจะพูดทานบารมีอย่างนี้องค์สมเด็จพระสีตัดว่าสัตตัดว่าเป็นบันไดให้เกิดบนสวรรค์เพื่อให้การให้ทานเนี่ยไปบนไปเกิดบนสวรรค์ได้ การศึกษาสิงก็ไปเกิดบนสวรรค์ได้การเจริญภาวนาก็ไปเกิดบนสวรรค์ได้นี่เฉพาะเฉพาะอย่างอ่อนถ้ากําลังทานเขาบรรชาธรรมพุทธบริษัทมีความเข้มแข็งตั้งใจให้ทานโดยเฉพาะวีก็ตั้งใจให้ไม่มีก็คิดว่าจะให้อย่างนี้เทีวกําลังใจตั้งอยู่ในฌานเข้าจะคานิติกรรมฐานอย่างนี้เกิดเป็นรม ถ้อย่างบุคคลตั้งใจรักษาสินจะเป็นสินท่าก็ดีสินแปดก็ดีกำบบสิบก็ตามมีจิตใจไมั่นคงอยู่ในสีนน้ำมัตระวังสินเป็นปกติอย่างนี้ถือว่ามีชาในศีนลานุติกับฐานอย่างนี้เกิดเป็นสมได้ก็ไว้อันว่าบรรดาท่านพุทธวิสัตถน์หลายที่มาทําบุญวันนี้เป็นคนไม่ประมาทในชีวิตคิดถึงความตายเป็นปกติ คำว่าปกติไม่ได้คิดหมมัน ไ, ไม่ได้หมายความว่าต้องคิดทิงทุกวินาทีแม้จะด่านหลายครั้งแต่วันหนึ่งเคยคิดครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นปกติใกล้คิดถึงความตายคือมราณะนุติกมรฐานตอนนี้ไปที่นาเรื่องราวในประศุที่บุคคลผู้คิดทึงความตายและเป็นอราหารันต ความมีว่ามาองค์สมเด็จพระสงฆ์ทันบรมศาสตร์สันดาสัมมาสัพพุทธเจ้าบรรลุอภิเศษสัมมาสัโพธิญาณใหม่ๆเวลานั้นกำลังเสด็จประทับยับยาวงสำนานอิริยาบถปรากฏว่าอยู่นพระวีรวัมหาวิหารองค์สมเด็จพระจิตมานทรงมีพระสาวกสองท่าน แต่คือพระโมกคัลลาในภาษานิบุตรความจริงเวรวันมหานิหารนิ่ผิดะจะไม่เพ่จง่ายชนป่าไผ่ปุงน่าจะขึ้นนะก็เ ป, ปนว่าเวลาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาทัพพิจารสมาธิรู้อภิเสด็สัมมาทัมโพธิญาณแล้วสมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ทรงพระดำํำริ ว่าทำที่เราบรรลุนี้เป็นของยากมากเลยจะได้จะอสูงสุดมากยากที่บุคคลจะบรรลุตามได้ในตอนตอน้นตามพระบาลีว่าบุคคลก็พระองค์ก็ท้อใจไม่อยากจะสอนคนอื่นเพราะมันยากไม่เกินเพราะเป็นอรหันต์องค์แรกยังไม่คนไม่ยั ม, ยมีใครรู้จักอรหันต์แต่ได้กล่าวว่าพระอาศัยมหากรุณาที่คุณอย่างหนึ่ง อี่อย่างหนึ่งการปฐมมสมโพธิท่านบอกว่าท้าสามโมดีพรมมาแสดงสั ญ, ญลักษณ์ให้ปรากฏว่าบุคคลที่เกิดมาในโลกธรมมีสีขั้นหนึ่งอุกติตนญยบุคคลประเภทนี้มีปัญญามีบรารมีเต็มและมีปัญญาสูงส่งมากเพียงแค่แนะนำแค่หัวข้อก็รู้เรื่องสามารถจะบรรลุมรรคผลได้ บุคคลประเภทที่สองมีบารมีเต็มแต่บัญญาทึกไปนิดหน่อยบุคคลประเภทนี้แนะนำแค่หัวข้อไม่รู้เรื่องกันแน่ต้องอธิบายขยายความจริงจะเข้าใจก็สามารถบรรลุผลได้บุคคลในขั้นต่อไปที่ได้หน่วยยะบุคคลประเภทนี้ยังไม่มีโอกาสจะบรรลุผลในตอนแรก แต่ว่าการเทศสอนครั้งแรกพอเข้าใจในอข้อวัดปฏิบัติพอทำตามได้จะกกำลังใจยังอ่อนต้องสอนกันซ้ำๆสักๆมากๆหน่อยจึงจะรู้มากผลแต่คนประเภทที่4ีคือปะทะประมะบุคคลประเภทนี้สอนเข้าหูซ้ายออกหูขวาไม่รู้เรื่องเลยเทศยังไงให้ตายถึงแม่คนเทศตายไปแล้วก็ยังไม่รู้มากผล เป็นอันว่าพระองค์สมเด็จประธิดา พ, พลบรมศาสัรดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสันดับจากถ้อยคำเท่าสามโดีพรมแล้วสมเด็จพระทพ่แก้วก็ทนำิปที่จะสอนคนก็ลงความว่าถ้าบุคคลใดรับคำสอนได้แต่ถาคตก็จะสอนถ้าบุคคลใดไม่สามารถรับคนสอนสอนได้ก็ปล่อยไปตามกฎโคงกรรม ยังได้ทรงดำรติต่อไปว่าจะทํำยังไงแล้วเราจะสอนใครก่อนตอนนั้นองค์สมเด็จพระสินวรนก็ทรงดำริว่าอาจารย์สองคืออาราระดาบทเละอทกกรดาบทดามาบทอสองคนท่านนี้เป็นผู้ทรงสมาบัตรแปดบำเพ็ญบารมีมามากไม่ยากแก่กา ร, รบรรลุมรรคผลเท่าองคสมเด็จพระทศพล บ, บริมศาสันดา อย่าทรงเทศสอนเพียงแค่ย่อๆก็ยืบรรุมรรคผลทันทีแล้วสมเด็จพระจนาสีก็ทรงใช้กําลังทิพุยานว่าเวลานี้อาจารย์ทังสองอยู่ที่ไหนก็ทราบจากอารมณ์ของค์สมเด็จพระจอมไตรว่าเวลานี้ท่านทังสองตายจากความเป็นคนเสียแล้วก่อนจะตายใช้กําลังอรูปวิชานเป็นกําลังเวลานี้ตายจากคนไปเกิดเป็นอรูปภพรม อาลูปรพรมนี่ไม่มีอายต น, นะไม่สามารถจะฟังได้ไม่สามารถจะเห็นได้องค์สมเด็จพระจอมใจคิดว่าท่านอาจารย์ดนสองชิบหายจากความดีจะแล้วคำว่าชิพหายนี่เป็นศัพท์ธรรมดาของป็นศา ส, สนาคือไม่ไม่มีโอกาสได้รับความดีหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจีนดาวีก็คิดต่อไป ว่ามีบุคคลใดบ้างควรที่รับการเทศเป็นขั้งแรกเพราะการเทศขั้งแรกจะมีความสำคัญมากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะคำสอนยันในดำนานของพระอดุลยกประจอมใจนี้ไม่เคยมีมาก่อนฉะนั้นคนฟังขั้งแรกต้องก็เป็นคนมีปัญญาดีมีความเข้าใจดีมิฉะนั้นจะไม่รู้เรื่องพระคำสอนต่างจากกราม ก็จะมีไปเห็นว่าปัญญบักคีหรือศีทั้งห้าคือโกนัญญาาะาบพปะพัทธยมหานามอสัชชิท่านทีทั้งห้าคนนี้ไม่ทราบพระองค์สมเด็จพระทศพลออกสแสวงหาพิเนศกรมต่างคนต่างก็บวชที่ยังไม่บวชก็บวชที่บวชแล้วก็ปางต่อต่างคนต่างทราบข่าวว่าพระองค์สมเด็จพสมสามาถุตเจ้าคลอดใหม่ๆ ม, มีพราหมทั้งห้า ไปพยายกรณ์ว่าท่านองค์นี้ถ้ามีเป็นเคราวาดจะเป็นจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิปกครองโลกแต่ถ้าหาว่าถ้าบวชจะเป็นาศาสนร์นาอีกในโลกแต่ในจำนวนห้าองค์นี้ก็เป็นพรามห้าองค์อยู่องคหนึ่งเปนจำนวนห้าองค์ที่พยายกรณ์คือเท่งโกนัญพราม์เป็นพราหมณ์ที่หนุ่มที่สุดในเวลานั้นพราหมสี่องค์ในเวลาพยายกรณ์ยกนิ้วของสองนิ้ว ว่าเด็ชายคนนี้ถ้าเป็นคราวาตจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิปกครองโลกแต่ถ้าหากว่าถ้าเป็นท่าบวดจะเป็นาศาสดราศาสตราเ ป, ปรมาครูจะเป็นครูชั้นดีที่สุดหรือครูเอกในโลกเมื่อทราบข่าวว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกสู่มหาพิเทศกรมก็มาปฏิบัติ องค์สมเด็จพระทรงสวัสที่กิสงภาคเข็นว่าการปฏิบัติเขาต้องสองท่าห้าท่านในดีให้เมื่อโอกาสจมนุ่งมรคนเจนนั้นองค์สมเด็จพระทศพลบริมศาสัญดาจึงได้ทรงสมเด็จไปเพื่อจะโปรดแต่ลึกในระหว่างทางในพบชีวกคนหนึ่งชื่ออุปการชีวกอุปกาชีวกเดินสวนทางมาเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาทัพพิตรเจ้าจมีผิวพรรณสวยงามมาก มีการเยื้องไกลก็ดีมีการสรัมมดียังมีความรู้สึกว่าสมณะองค์นี้เป็นฤสิของไขยังยกมือป้องหน้าถามองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าโพบริษะดูก่อนบุตผู้เจริญท่านเป็นสาวกของไข่องค์สมเด็จพระจอมไตรก็บอกว่าเราเป็นสับ พ, พัญญูคำว่าสับ พ, พัญญูแปลว่าผู้รู้เองไม่มีใครสอน พระอุปการชีวจิตไม่เชื่อสลัดหน้าวะก็เลวฤกไปหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงเดชมาไปาสี่ประเทศมริกราทยวันตั้งใจจะโปรดปัญญวคีห์ฤทธสีทั้งห้าแต่ว่าปัญญวคีห์ฤทธีทั้งห้าเห็นพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยเดชมาก่อนที่จะจากกันเป็นอย่างนี้ว่าตามธรรมดาของข้าม แต in ่ต้องปฏิบัต so ิในการทรมานตนให้หนักเขาถือว่าการทรมานตนเป็นการบรรลุมรคนแต่ว่าองค์สมเด็จพระทศทลทศพลทรมานตนมามากยิ่งยิ่งกว่าพราหมณใดๆแต่องค์สมเด็จพระจอมไตรบริษัทสันดาคก็ไม่เดลุมรคนต่อมาใสายบารมีของค์สมเด็จพระทศพลจะเป็นพระพุทธเจ้าปัญญาจะเกิดขึ้น ว่าการปฏิบัติเพื่อมรักผลนั้นไม่ใช่การทรมารทางกายต้องเป็นทางใจองค์สมเด็จไรจอมใจหันเข้ามาฉันพระต า, าหารอีกประกอนนี้โอตอาหาันตุ้พรามห้าคนให้ปฏิบัติผิดตามรบบวิธีตุ้พรามคิดว่าองค์พระพระสิทธาฐานอาชุ ม, มายคือพระทเจ้ามักบ้างไม่าหาันย่พาไลีกไปหนีไปเลยร่อยให้อยู่องค์เดียว ก็ลงความว่าตามพระบาลีบอกว่าเป็นเพราะเทวดาเข้าดลใจเพรเวลาต้นหลังนี่องค์สมเด็จพระจอมไตรปิฎสัสดาต้องการความสงัดถ้ามีคนปฏิบัติก่อนอารมณ์ก็ไม่ไปสุขมักไม่สงับจริงฉะนั้นเมื่อความหนีไปแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงรู้เอาไเสด็จสมาธโพธิญาณองค์สมเด็จพระจิตไั่ทราบว่าเขาทั้งหลายเท่านี้มาอยู่ที่ไบซีประเทศเมริกาตะวัน เมืองพารานาสียังเสด็จมาเยี่ยมจะมาเทศโปรดรามทั้งห้าคนเห็นเข้ามัดหมายกันว่าเวลานี้สิท ธ, ธาธราชกุมารคงไม่มีใครปฏิบัติมีความเหงาจึงมาหาพวกเราต้องการปฏิบัติพวกเราจงอย่ารับบาตอย่าล้างเท้าอย่าทําการต้อนรับจะมูผ้าจะมูอาสนะครวความตึกสายว่าทุกคนจะไม่ทําอะไรทั้งหมด แต่ว่ า, าพราะองค์สมเด็จพระรองทรคิเข้ามาถึงต่างคนต่างลืมพระอีกบางคนกับปูผ้าบางคนกัลา้างเท้าบางคนกัรับบาดว่ากัจีฟาถาไปแต่ว่ า, าพระองค์สมเด็จพระจอมใจนั่งแล้วเขาแสดงความไม่เคารพเรียกชื่อพระองค์ว่าสิทธะราชกุมาร น, นี่ในสมัยนั้นแท้เรียกชื่อกันเขาถือว่าแสดงความไม่เคารพเวลานี้ก็เหมือนกันนะ เทวดาเขาก็ถือไม่กันในใจงานนะอย่างภูงมิเทวดาชื่อไรลุกเทวดาชื่อไรทีครับต้องการบ้านไปถามชื่อเขาเขาก็ถือว่าไม่แสดงความเคารพในเขาไม่กันเขาถือว่าทําตนเสมอเขาถ้าทางที่ถูกก็เรียกว่าท่าผู้ชายก็เรียกพ่อปู่ไปเลยนะผู้หญิงเรียกแม่ยาไปเลยอันนี้เคยถามเทวดาเขา คือว่ามีบางคนบางคนถามว่าภูมิเทวดาบ้านฉันชื่ออะไรลู้กับเทวดาที่บ้านฉันชื่ออะไร ي, กับเซวราที่บ้านฉันชื่ออะไร ي. พอไปถามท่านเข้าจะบอกยังให้เรียกชื่อเลยถ้าเรียกชื่อผมถือว่าตีตนเสมอผมผมไม่ช่วยเหลือเรียกชื่อตรงนะถ้าเรียกพอปูไม่ญาตอันนี้เขาช่วยเหลือถือแสดงความเคารพเวลานั้นก็เช่นเดียวกันคนถ้าเรียกชื่อกันถือว่าตีตนเสมอกัน ในเมื่อเขายังไม่แสดงความครบอย่างนั้นองค์สมเด็จพระประกเกวัยก็ทรงจัดว่าท่านทั้งหลายเวลานี้เรามาลุอวิเศษสมาธิพุทธิยานแล้วท่านเคยฟังไหมว่าสมัยก่อนเราเคยพูดคํานี้บ้างไหมท่านทั้งห้าฟังแล้วก็จําได้ว่าสมัยก่อนพระเจ้าทรงทรมานพระบรากายมาสิ้นเวลาหกปีใช้คํายคอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินสีไม่เคยจัด วันนี้พูดอย่างนี้คุณจะมรุมกมรกลแน่แล้วหลังจากนั้นยินตั้งใจฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระปัณฑิตเจ้าพระบุตรเจ้าทรงเทศเวลาดังก็เส้นเทศธรรมจักพระผู้นี้เป็นทนาจารย์ต้องเทศยาวเมื่อเทศจบแก่โกวากดว่าท่านโกว่าท่านธัญญโภนยพระรามเป็นหุ่นหน้าคณะบรรลุประสดาบัญชรององค์สมเด็จพระพุกวันก็ดีใจมาก ยิ่งส่งทรงเปล่งเพราะว่ายาวอัญญาสีวัฏปโกตัญโยอัญญาสีวัฏปภโกตัญโยยึงแปลเปใจความว่าโกตัญญะรู้แล้วหนอโกตัญญะเล่แล้วหนอฉะนั้นท่าโกตัญญะจึงมีนามต่อไทยว่าอัญญาสีโกตัญญะนนอัญญาโกตัญญะหลังจากนั้นมาองค์สมเด็จตั้งสมมาลูกเจ้าก็เสร็จเล็กๆน้นนอยๆที่ภาษาบาลีเรี่องปกิปรปิปรกิน ก, กา อีกเจดวันทั้งหมดนั้นก็บรรลุมรรคผลเป็นพระราห์ั้งหมดจืง่งทรงไปประกาศพระสาช น, นาหลังจากนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เดินมาเรื่อยๆขอเล่าลัดไปเลยสถานที่สองแห่งไม่แวะไปเลยนะเข้าไปถึงเมืองราจะคือพร ะ, ร ะ, ระเจ้าพิมุษาจึงนำอามายข้ารยบริพันธ์มาเฝ้าทารถนาองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าให้ายทรงประทับอยู่ ที่พระราชุนิยานในตอนนั้นแปลกฎว่ามีมานพสองคนตอนหลังชื่อว่าโมคัลากระบาสาดีบุตรตอนต้นชื่ตอตาบุษขาอันนั้นตอนต้นเขาเชื่ออะไรก็ช่างแต่นะ่เอาตอนหลังจำง่ายง่ายว่าโมคัลากระบาสาดีบุตรเป็นลูกของมาหาเศรษฐีกันสองคน คนหนึ่งมีมีคนใช้จะมีรถเป็นพานะห้าร้อยคนอีกคนหนึ่งมีคนใช้ห้าร้อยจะมีมา้าไปพานะทั้งสองคนนี้เป็นเพื่อนกันถึงเวลามีมโหสถกลางปีเป็นงานใหญ่ประจำบ้านก็ไปไปชมที่นั่นไปพร้อมกันเวลามโหสถแสดงชอบใจก็ให้รางวันไม่เวลาเศร้าโศกก็สลดใจ แต่ว่าวันนั้นเป็นวันสุดท้ายชีวิตราวายของท่านทั้งสองเวลาที่ดูมรสศพทั้งสององค์เงียบสงัดเวลาสนุกก็ไม่เฮไม่หาไม่ให้รางวัลเวลาเขาแสดงความเศร้าโศกเสียใจก็เฉยๆเพอาะเมื่อหัพเลิกแล้วท่านบกครายก็ถามท่านสาธิบุตรขอเรียกชื่อตรงๆตามนี้นะว่าสาธิบุตร ด, ดูก่อนสาธบุตร ทำไมท่านจึงเฉยๆวันนี้อาสาที่อยู่ก็ถามว่าก็ท่านนะทําไมเฉยมันเป็นการต่างคนต่างซึมทั้งสองท่านก็พูดมาพร้อมกันบอกว่าเรามีความรู้สึกตามนี้ว่าคนที่แสดงมรดศพทั้งหมดเนี่ยอายุไม่เกินร้อยปีเขาก็ตายและคนที่ดูมรดศพทั้งหมดนี้ก็เหมือนกัน อายุไม่เกินร้อยปีก็ตายแถมเราทั้งสองนี้ยังมากไม่เกินร้อยปีก็ตายเหมือนกันที่เราเฉยเพื่อความสลดใจอย่างนี้ถ้าเรียมูเพื่อผลชีวิตอย่างนี้ไม่ช้าความตายเข้ามาถึงตายแล้วไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ทราบถ้าสองคนอย่าไหาเรื่อกันว่าตามธรรมดาที่มีคนที่มีปัญญาเนี่ยฟังให้ดีนะ ท่านทั้งสองคนที่มีเป็นคนมีปัญญาและมีบารมีเต็มก็มีความรู้สึกว่าในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของคู่กันโลกที่มีผู้ชายมันก็ต้องมีผู้หญิงโลกที่มีผู้หญิงมันก็ต้องมีผู้ชายโลกที่มีความมืดมาความสว่างซึ่งของคู่กันก็ต้องมีโลกที่มีความสุขมันต้องมีความทุกข์ เดรความเกิดมีขึ้นความตายมันก็ต้องมีแต่ว่าตามธรรมดาทำโลกจะมีทาให้เกิดมีความเกิดขึ้นมีความตายมีก็ยิ่งแหล่เแตาว่าทำที่ทําบุคคลไม่ตายมันก็ต้องมีในโลกนี้เหมือนกันพวกเราจะพากันสแสวงหาทำที่ทําให้คนไม่ตายกันเถอะในที่สุดทั้งสองคนก็แบ่งคนใช้คนครึ่งให้กลับบ้าน ไปแจ้งข่าวกระทางบ้านกระแทงสองคนไม่เข้าบ้านแล้วไปหาธรรมที่ไม่ตายว่จาจะนั่นไปไม่นานนักไม่ไกลนักก็เจอสำนักของสันชัยบริพาชกสำนักสัญชัยบริพาชกตัวห่างจากสำนักพระเจ้าไปไกลนักตั้งใกล้กันไปถึงสำนักสันชัยบริพาชกก็ไปถามธรรมที่ไม่ตายสัญชัยปริพาชกว่าทีนี่สอนให้คนไม่ตาย <c oughs> ท่านเดาสองมีบริวารคุณเดาสองร้อยห้าสิบก็เป็นห้าร้อยคนก็ศึกษาแล้วสนัก็สันชัยบริพายชกไม่ช้าไม่นานนักไม่กี่วันก็จบหลักสูตรก็ถามอาจารย์หลักสูตรของอาจารย์มีเท่านี้หรือสันชัยบริพายชกแถ่นี้แล้วจบแล้วเมื่อบอกว่าจบแล้วก็ให้เป็นครูสอนคนอื่นต่อไปท่านเดาสอนก็มานั่งคิดว่าไอ้คำที่เราเรียนมานี่มันเป็นธคำเพื่อความตายยังไม่พ้นความตาย เราจะไม่หยุดยังแค่นี้จะสแสวงหาต่อไปถ้าอยู่เฉยๆทาใจนิ่งไม่ทุรนทรายจะนัดหมายทั้งสองคนว่าถ้าบุคคลใดพบธรรมที่ไม่ตายเมื่อไรต้องบอกกันนะเมื่อสัญญาันรลุกันแล้วต่อมาวันหนึ่งสาวกขงสมเด็จพระบพิธีแก้วสาวกุลแลดพิอซาสัชิหนึ่งในปัญญวคีฤษีทั้งห้าเป็นพระอรหันแล้ว ก็ไปบิดาบาัดในกรงราชคฤห์วันนั้นพระสารีาบุตรออกจากสนักบุดีจะเข้าไปในกรงราชคฤห์เห็นพระสัชชิเดินมาดีลายเยื่อไกลของท่านดีมากมีการสํารวมดีมากจึงคิดว่าพระองค์นี้ต้องมีธรรมะ เ, เครื่องไม่ตายท่านไปสาวกของใครธรรมะที่ตนปฏิบัติไปอย่างไรเราจะถามเวลานี้ก็แสดงว่าเป็นคนไม่มีปัญญา เป็นการไม่สงควรเพราะว่าท่านกำลังจะไปวินิบฉัยก็เลยคอยคอยเมื่อเวลาท่ทานกลับจะวินิบัติเมื่ อ, อท่านอาศิชิออกมาจากสำนักออกจากเมืองแล้วจะกลับพระวิหารท่านเบสารีบุตรก็เข้าไปยกมือไหว้ท่านกล่าววิจา ว, ว่าโพบริสะดูกบรบุตรผูเจรญเวลานั้นเข้ามาูจากพระพระพุทธมีถามว่าพระคุณเจ้า บรรลุธรรมธรรมที่บรรลุแล้วชื่ออะไรท่านเป็นสาวกของใครชอบจําทางคำสอนทอดใจคําสอนของใครก็รว่าอาสิชิกมองดู ป, ปั๊บเดียวท่านเป็นพระรหันแท่งกระสับแต่ความจริงพระรหันทั้งหมดนี้ก็มีความเข้าใจดีแต่ว่าจะพูดหรือไม่พูดควรพูดก็พูดไม่ควรพูดก็ไปพูดบางทีก็แกล้งทําโง่อส่งเด็กไปในเยอะแยะพระหลานนั้นคําำทันอย่างนั้น ท่านมองดูว่าพระสารีบุตปรปั๊บเดทราศบวริพายชก ค, คนนี้เป็นคนฉลาดมากจิงคิดในใจว่าเราไม่ควรจะกล่าวธรรมะยาวๆจึงบอกว่าธรรมะที่เรามีอยู่เป็นธรรมะเล็กน้อยเราชอบใจธรรมะของพระสมณะโคดมซึ่งเป็นศาส์สันดาห์ของเราแต่เราไม่สามารถจะแสดงธรรมะยาวได้จะกล่าวโดยย่อๆเราก็ได้ะ ส า, สารภาษายีบบทบอไม่เป็นไรไม่ต้องกล่าวยาวเอาแค่ย่อยตรงการสั้นๆท่านบ้านชี่ก็กล่าวว่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวอย่างนี้ว่าเ at ja, e, ah ยธรรมาเหตุปัปปวาเจสังเหตุองตถานก็โตโยนิโรโทจเอวังวาทีมหาสนโนเนี่ยงาไปแปลเองนะ ยิ่งเป็นแปลประโ ย, ยความว่าทำใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตัดเหตุต้องทนั้นในความดับต้องทำนั้นสมเด็จมหาสมณครับอย่างนี้พอฟังเพียงเท่านี้นจบพระษาญี่ปุ่เป็นมระโสดาบันทันทีนี่บรารมีเต็มก็กล่าวถามอาาัธรษีว่าภาธธษาสันดาของเราอยู่ที่ไหนพระธีรก็บอกว่าอยู่ที่พวเวดุวันพระสารีบุตรก็บอกว่าท่านไปก่อนพระคุณเจ้าไปก่อนขอรับ ผมยังมีเพื่อนอีกคนหนึ่งเดี๋ยวต้องไปชวนเพื่อนก่อนว่าพระชีก็ไปแล้วพระแล้วก็เอาเอาพไปแล้วพระสารีบุตรก็เข้าเข้าสรรนักหน้าตาก็แจ่มใสพระโมกคัลลายเห็นเข้าถามว่าพระารีบุตรเนี่ยขอกล่าวชื่อสุดท้ายนะว่าสารีบุตรไปชอบได้ธรรมะที่ไม่ตายแล้วหรืออาธิโมคคัลธรรถ้าสารีบุตรได้แล้ว ท่านก็เลยถามว่าธรรมะที่ไม่ตายเป็นถ้ยอยคํำยังไงท่านบอกเยธรรมาเหตุปปปวาติสังเหตตรงตรถาคตโตยโติโรโทจ่าเอวังวาติมาหาเสนวนาพอฟังเพียงเท่านี้พระโสอภะมุขลายก็บรรุุมรรคผลต่อไปนั้นทั้งสองคนก็ไปชวนลูกศิษย์ทุกหาแล้วก็พาไปเป็นลาสัญชัยปริภาชกให้ไปหาพระพุทธเจ้าสัญชัยบอกว่าฉันก็เป็นคราจารย์เอกฉันไม่ไป พัะลันชัยเราถามว่าคนในโลกนี้คนฉลาดมากหรือคนโง่มากพระสารีบุตรก็บอกว่าในโลกนี้คนโง่มากคนฉลาดน้อยสัญนชัยเลยบอกว่าทางงั้นคนฉลาดไปอยู่กับพระสวณะโคดมคนโง่จนอยู่กับเราเขาไม่ยอมไปในที่สุดท่านเั้นสองไปขณะที่พระทั้งสองไปยังไม่ทันถึงพระเวรุวันเวลานั้นสมเด็จพระพุทธกวันกำลังเทศอยู่ สมเด็จพระบรมครูยังแต่งกบบรรดาพระทั้งหลายว่าพิฆเวดวก่อนวิสุทธ์ทั้งหลายเวลานี้อากาสาวก้ายฝ่าของเรากำลังมายังไม่ถึงนะเป็นอนาโมทธเจ้าทราบก่อนเมื่อเข้าไปแล้วองค์สมเด็จประจิตวิญก็ทรงเทศโปรดปรากราเทศจบลูกศิษย์ตั้งห้าร้อยคนทังสองท่านสองร้อยห้าสิบคนเป็นพระรหรันอีกสองร้อยห้าสิบคนไม่ได้อะไรกลับมาอยู่สัญชัยปฏิภาชก แต่พระโมกขลาการไปสาธิตรทยังไม่ได้อะไรพระโมกขลาปฏิบัติไปเจ็ดวันได้อารหาันพระสาธิตปรปฏิบัติไปสิบห้าวันได้อารหันอรบรญดาท่านพุทธริษัชทุก ท, ท่านเมื่อท่านได้อารหันกันทั้งสองคนแล้วลูกศิษย์ก็ได้อารหันทั้งสองร้อยห้าสิบคนเป็นอันว่าเวลาหมดพอดีเขายุติพระธ ร, รมธัทิตนาลงคงไว้แต่เป็นธรรมีในที่สุดพรทธรรมัทินานี้จะมาภาพขอตั้งสติญาดิฐานอ้างคุณบาศีรัตนไตรยัย มีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะแลสังขรัตนะทั้งสามรายการขอจงนุนบรรดาให้บรรดาท่าพุทธบริษัทธุทั้ท่านมีแต่ความศุกดิ์สิทธิ์พิพัฒนะมงผลสมบูรณ์ผูนผุนและจงเจริญไปด้วยจ่าตุรพิตรพัชัยทั้งสี่รายการมีอายุวรนนาสุขาภรตบริภาณหาทุกท่านปรารถนาสิ่งใดค่อยได้ฉนั้นสงความปัญหาจิตตุภคการ อาจจะมาภาพรับฐานวิสัจนามาข อ, อยุติปัตมมิสนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อีวังกอบีตระกาตันี